ท่านพูดไว้ในหลักธรรมว่าความยินดีในธรรมชนะซึ่งความยินดีทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงคำนี้ออกมาจากท่านผู้ที่เคยได้ยินดีมาแล้วเคยได้ ริมรถพระจัตธรรมมาแล้วคือพระพุทธเจ้าของดับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจฟังตามที่ท่านสั่งสอนไปไม่ว่าจะเป็นธรรมะบทใดย่อมทราบซึงถึงใจทุกบททุกบาทไปนอกจากจะฟังสักแต่ว่าเป็นกิริยา โดยที่จิตใจไม่ได้จดจอ่อและเพลินไปในสิ่งต่างๆตามนิสัยของจิตที่เคยเป็นมาดั่งเดิมเท่านั้นศาสนาธรรมก็รู้สึกจะไม่มีความหมายในจิตประเภทนั้นจนกว่าว่าจิตประเภทนั้นๆจะหันเข้ามาสู่หลักธรรมเกิดความสน้งใจขึ้นภายในตัวเองแล้วประพฤติปฏิบัติทำที่กล่าว ทั้งหลายก็จะเป็นเครื่องทราบซึ้งถึงจิตใจแล้วเกิดความเชื่อไปโดยลําดับเพราะมีฐานเป็นเครื่องรองรับกันโดยลําดับอยู่แล้วภายในจิตใ จ, จเฉพาะอย่างยิ่งการฟังธรรมในภาคปฏิบัติถ้าจิตไม่มีพื้นเลยและไม่เคยได้สนใจกับบัดกับธรรมไม่เคยสนใจประพฤติปฏิบัติ ไม่ปรากฏจินใดที่เป็นเครื่องสะดุดจิตใจภายในภายในตัวเลยเวลาฟังเทศท่านแสดงทางด้านธรรมะปฏิบัติคือแสดงถึงเรื่องวิธีจิตการดำเนินของจิตการแก้ไขของจิตระหว่างจิตกับวิเลสหรือระหว่างจิตกับมรรคคือสติปัญญาหรือความเพียรดังนี้ผู้ฟังจะไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดความท้อใจจิตใจเลยเพื่มเพิ่มไปทางอื่นไปเสียบางทีก็ง่วงเงาห้องนอนอยากหลับอยากอะไรไปการเทศก็รู้สึกว่าเป็นเวลานานเพราะมันเป็นการกดถ่วงที่เละไม่ได้ออกเพ้นผ่นานตามความสะดวกสบายในขณะที่ฟังธรรมจำต้องระมัดระวังจิตใจความระมัดระวังจิตใจนี้เป็นเหมือนกับว่าถูกกักถูกขังไว้ใน ขอบเขตอันเฉพาะนั่นล่ะเกิดความลำคาญขึ้นมาแต่เมื่อได้เริ่มฟังไปเรื่อยๆด้วยความสนใจในขณะฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปด้วยคือจิตมีความจดจอ่อต่อเนื่องกันไปกับกระแสง ท, ที่ท่านแสดงจิตเลยกลายเป็นความสงบขึ้นมาเพราะ ความรู้ที่สัมผัสกับทรนมะมันสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีโอกาสที่จะเลื่อนลอดเอาไปสู่อารมณ์ต่างๆในขนาดที่ฟังเลยทำให้จิตสงบตัวลงได้พอจิกเริ่มสงบตัวลงได้บ้างแล้วนั่นแหละเป็นการเริ่มสร้างฐานหลือขัดเกลาภาชนะขัดภาชนะข้างตน้นให้สะอาดขึ้นโดยลำดับและสมควรแก่การรับธรรมจิตใจจะเริ่มเยือกเย็นขึ้น เห็นคุณค่าแห่งการฟังธรรมองค์ที่ธรรมแสดงไว้ว่ามีอ น, นิสงฆ์5ประการข้อที่หเป็นสําคัญคือจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสมีสําคัญมากแต่ก็ต้องเป็นแนวทางไปแต่ไปตั้งแต่เบื้องต้นที่ว่าหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมีเป็นบาตรฐานไปตั้งแต่นี้ คือม่เคยได้ยินได้ฟังทางภาคปฏิบัติหรือทางใดก็ตามเมื่อเมื่อได้ฟังขนาดที่ท่านเทศนั้นเออก็เป็นที่เข้าใจขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยได้ฟังเลยเราก็ได้ฟังไม่เคยเข้าใจอย่างนั้นเราก็ได้เข้าใจขึ้นมาสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่จะไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไปโดยลํำดับลํำ ด, ำดำับนั่น เ้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ความรู้ความเห็นให้ถูกต้องไปตามแนวทางสุดท่าก็ไปถึงขั้นที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสย่อมสงบเมื่อปรากฏผลขึ้นมาเช่นนี้แล้วความยินดีในธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นมารสของธรรมก็เริ่มปรากฏแม้จะยังไม่ชนะรสอันไดก่อนก็ตามแต่ก็จะเริ่มเป็นรสที่ดื่มดา และทำให้สะดุดจิดจะดใจเป็นความจำไว้นานๆไม่ลบเดือนไปอย่างง่ายๆได้ภายในจิตใจผู้นั้นเพราะนั้นบรรดานักปฏิบัติจึงถือการฟังธรรมเป็นสำคัญแบบเรียกว่าจะวัติดครูติดอาจารย์ก็ได้ถ้าปฏิบัติทั้งหลายท่านชอบได้ยินได้ฟังเสมอจากครูจากอาจารย์อาจารย์ใด ที่เป็นที่มีความเคารพนับถือร่วมสายท่านในภาคปฏิบัติทั้งทางด้านจิตใจอาจารย์นั้นไปอยู่สถานที่ใดลูกศิษย์ลูกหาจะทยอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกรทั่งมากมายกายกองยกตัวอย่างเช่นอย่างท่านจันมั่นเป็นต้นท่านไปอยู่ในสถานที่ใดลูกศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้อยู่ไก ล, กลมักจะทยอยไปหาท่านเสมอแม้จะอยู่กับท่านโดยเฉพาะ ในที่แห่งเดียวกันไม่ได้เพราะสถ า, านที่ไม่เพียงพอกับการอยู่ก็ตามแต่จะต้องไปหาพักอยู่ตามบริเวณใกล้เคียงสามกิโลสี่กิโลห้ากิโลหรือหกเจ็ดแปดกิโลนี่จนได้สุดท้ายก็เต็มไปหมดในเขตตำบลนั้นที่ท่านพักอยู่มีตั้งแต่พระกรรมฐานถึงวันอุโบสถฉันหันแล้วต่างองค์ต่างมา พอบ่ายโมงท่านก็เริ่มลงอุโบสถพออุโบสถแล้วท่านก็ให้โอวาตส่วนมากท่านให้อวาตหลังจากอุโบสถแล้วนี่เป็นภาคปฏิบัติอั น, นําคัญแล้วพูดที่อยู่กับท่านโดยเฉพาะธรรมดาก็เจ็ดวันในพรรษาเจ็ดวันประชุมครั้งถ้า น, นอกพรรษาก็ไม่ค่อยแน่นอนอะไรนะ แาละในปัญหาส่วนมากเป็นอย่างนั้นพระจึงติดพระกรรมาฐานจึงติคดครูติอาจารย์ด้วยเหตุที่เองขนะที่ฟังเป็นสำคัญมากได้สติปัญญาได้กำลังทางด้านจิตใจขึ้นมาเป็นระยะๆะะไม่เคยพลาดไปเลยจากการฟังครั้งนั้นๆและองค์ท่านเองก็เป็นเหมือนแม่เหล็ก เป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของพระเนนให้เกิดความสนใจทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอัจเป็นธรรมแล้วจะมีท่านเป็นสําคัญเป็นเครื่องดูดดื่มให้มีความเพลิดเพลินลื่นเรงในอัตในธรรมได้พบได้เห็นท่านทั่วระยะระยะหนึ่งก็เป็นเครื่องดึงดูดภายในจิตใจให้เกิดความปีติยินดีและแถมยังได้ยินได้ฟังท่านพูดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเทศทั่วไป ในเวลาอบรมก็ตามไม่ว่าจะพูดธรมรมดาก็ตามพูดทีเล่นทีจริงก็ตามเพราะท่านเป็นธรรมหมดทั้งองค์แล้วการแสดงออกในแง่ต่างๆย่อมมีธรรมมีเหตุมีผลที่จะยึดเป็นคติแทรกออกมาเรื่อยๆให้ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้ยึดเป็นคติเรื่อยๆไปฉะท่านการอยู่กับครูกับอาจารย์ของพระกรรมฐานจึงเป็นความสนิทมาก ท่านไปด้วยอัตยาิสัยของท่านเองเวลาห่างครูห่างอาจารย์ออกไปอิจ ใ, ใจที่ยังไม่สามารถที่จะรักษาตนเองได้ก็จะมีความว้าเวหรือเกิดอุบายอะไรขึ้นมาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ต้องคิดถึงครูถึงอาจารย์ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะคิดค้นแก้ได้โดยลําพังตนเองก็ต้องรีบมาหาท่านให้ช่วยชี้แจงแนะนําซึ่ง ตับลัดเวลาที่ยืดเยื้อแก่การแก้ไขของโดยลำพังของเองนั้นออกได้มากมายเพราะท่านรู้ทั้งเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพอเราเกิดข้อข้องใจอะไรมาหาท่านเพียงเล่าถวายท่านเท่านั้นพอจบประโยคลงท่านจะแก้ให้ทันทีแล้วเข้าใจในขณะนั้นเนี่ยการอยู่กับครูกับอาจารย์ที่ท่านรู้จริงเห็นจริงแล้วไม่เนิ่นช้าไม่ให้เสียเวลาเวลา ในปัญหาแต่ละข้อละข้อจะเป็นประโดชน์แก่ผู้มาศึกษาแต่ถามนั้นมากมายไ ก, ก่กองไม่ผิดหวังนี่ยความที่รู้จริงเห็นจริงผิดกันอย่างนี้และตะกี้นี้ได้อธิยกขึ้นเรงเรื่องความยินดีในธรรมก็ดังที่กล่าวมานี่แหละความยินดีในธรรมยินดีไปเรื่อยๆ ด้วยอำนาจแห่งการได้อยู่ในฟังเสมอและการประพฤติปฏิบัติตนอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นเดียวกันผลคือรสชาติที่ปรากฏขึ้นผ่านจา ก, การปฏิบัติก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆมีความแม่นหนามั่นคงขึ้นภ า, ายจในจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธิมีความล่มเย็นเป็นถุกสะดวกสบายไม่คิดทายแสวุ่นวายไปกับเรื่องอะไรทั้งหมดประหนึ่งเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่อดแต่ธรรมที่จะ พึงพิพจารณาที่จะพึงปฏิบัติให้มีความชข้มแข็งหรือเหนียวแน่นเข้าไปโดยลำดับถ้าเป็นขั้นปัญญาก็แต่พิจารณาไปทั้งกว้างแคบเพียงไรบรรดาในสภาวธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เพื่ออาจาเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองโดยไถ่เดียวเท่านั้นจึงเป็นความเพลิดเพลินไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจของเราในเมื่อมุ่งต่อทำอย่างแรงกล้าเพียงไรล ย่อมมีความเข้มแข็งย่อมมีความอาจหานย่อมไม่มีความเยื่อใยในชีวิตจิตใจตลอดถึงความเป็นอยู่ปูวายไรทั้งหมดไม่เป็นกังวลวุ่นวายเลยมีแต่เข็มทิศทางเดินแห่งธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้เป็นไปโดยลาดับนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเพลินด้วยความภาคเพียรเพลินด้วยการพฤติปฏิบัติถ้าเป็นสมาธิก็เพลินด้วยความสงบเย็ยนใจ ถ้าเป็นภาคปัญญาก็เพลินด้วยการชิดค้นในแง่ต่างๆเพื่อเป็นการถอดถอนจิตไปโดยลาดับลัดบในขณะที่พิจารณาเนี่ยความผาสุกเย็นใจจึงมีได้ทุกระยะระยะของการประกอบความเพียรอยู่ในที่สง บ, งบเงียบเท่าไรความรู้นี่ก็ยิ่งเด่นแม้ความรู้ทางด้านสมาธิก็เด่นในความรู้สึกตัวเอง และเด่นด้วยความสงบถ้าทางด้านปัญญาก็เด่นทางความเฉลียวฉลาดความแยกภลายของจิตเหมือนกำน้ำซับน้ำซึำซมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนไปตามสภาวะธรรมแง่ต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์หรือสิ่งเหล่านั้นไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตใจที่เป็นนิสัยของปัญญาแล้วย่อมสอดย่อมแทรกไปทุกแง่ทุกมุมจนเกิดความเข้าอกเข้าใจไปโดยลําดับได้ เป็นอย่างกายอย่างที่ท่านว่ากายยักตาสติอย่างนี้ก็รู้สึกว่าพูดอย่างหนึ่งก็เพิ่นเผิ่นพราะจิตมันเผิ่ น, น, น, นจิตไม่ปักจิตไม่มีหลักจิตไม่มีสติจิตไม่มีปัญญาจิตไม่มีหลักเดินคือทำเป็นหลักเดณฑ์ของจิตพูดอะไรก็ไม่ค่อยถึงจิตถึงใจแต่พอจิตมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลขึ้นภายในตัวเท่านั้น เฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในที่สงบสงัดกำหนดพิจารณาดูร่างกายในขณะที่นั่งภาวนามันทะลุ ป, ปูป่ผงโล่งไปหมดทั้งร่างกายว่าอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกทราบซึง้งเราจะพิจารณาดูตามผิวหนังข้างหนอกเราจะพิจารณาให้เป็นอสุพะอสุพังก็ดีมันก็เป็นอย่างชัดๆเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นอยู่แล้ว เป็นแต่เพียงว่าจิตทั้งเราไม่เดินตามความจิความป่นนั้นเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้ขัดแย้งกับความปีนนั่นอยู่เสมอเมื่อจิตใจมีความสงบพิจารณาเอาเราเดินกรรมฐานคือจิตพาจิตเดินกรรมฐานท่องเที่ยวในสกลากายคือขันห้าอันนี้เดินขึ้นเบื้องบนถึงศรีรษะเดินลงเบื้องต่ำถึงพื้นเท้า เดินออกมาข้างนอกถึงผิวหนังเดินเข้าไปข้างในหนังข้างในเนื้อข้างในเอ็นข้างในกระดูกข้างในทุกชิ้นทุกอันมีความสืบต่อเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้างตามธรรมชาติของหมังอีกค่อยกรองไปตามนั้นโดยลําดับลําดับก็เพลินไปด้วยการพิจารณานั้นสุดท้ายทั้งทั้ ง, ท, งที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั่นแหลในความรู้สึกนั้นปรากฏเหมือนไม่มีกายเลยจิตมันเบาวิวไปหมดกาย กายเนื้อนี่หายไปหมดแต่ภาพที่พิจารณานั้นก็พิจารณาไปโดยลำดับเช่นเดียวกันทั้งๆ ท, ที่อาศัยภาพแห่งร่างกายที่ที่มีอยู่นี่แหละเป็นเครื่องพยยิจารณาแต่ส่วนปรากฏร่างอันนี้เหมือนเริ่มแรกนั้นไม่ปรากฏหายเงียบไปอาการนั้นยังไม่พิจารณาจนกระทั่งมีความละเอียดละออในความรู้สึกของผิด แต่ระทั่งร่างกายนี้เราจะพิจารณาให้เป็นความแปรความสลายลงไปไงก็ค่อยเป็นไปโดยลําดับลําดับมีความรู้กับภาพที่ปรากฏภายในจิตใจโดยทางปัญญาที่สอดแทรกนั้นเท่านั้นเราเห็นอย่างชัดเจนเพราะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายจิตใจก็ไม่ฮิโอยที่จะอยากวิ่งเต้นเพ่นกระโดดออกไปสู่ภายนอกเพลินกับงานคือการพิจารณานั้นเท่านั้นในความเข้าใจก็ต้อง ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาความชัดขึ้นความเข้าใจชัดมากเพียงไรยิ่งทําให้เกิดความสนใจยิ่งขึ้นโดยลําดับลําดับสุดท้ายก็มีแต่ภาพหรืออารมณ์อันนั้นกับใจหรือกับปัญญานี้เท่านั้นที่สัมผัสช้ำพันธ์กันอยู่ภายในร่างกายที่เรากําลังพิจารณาอยู่นั้นส่วนร่างกายอันแท้จริงนี้ก็เลยหายตัวไปไม่ทราบหายไปไหนคือมันมันไม่รู้สึกกายเวลานั้นไม่รู้สึกว่ามีกายทั้ ง, ท, งที่พิจารณาร่างกายอยู่นั้นแหละ จนกระทั่งสภาพนี้สลายลงไปเห็นอย่างประจักษ์ภายในปิดเมื่อสลายลงไปจนกระทั่งเป็นสภาพเดิมของธาตุคือดินน้ำลงไปสลายลงประสูติธาตุเดิมของเขาจิตหดตัวเข้ามาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่นิคัมเวทนา อะไรๆหายหมดขณะนั้นชั้นญาณั้นขันวิญญาณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยเพียงแต่รูปอย่างเดียวเท่านั้นมันก็พอกับความเป็นอยู่ของจิตในขณะนั้นแล้วเข้าสู่ความสงบแน่วไปเลยคือเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอย่างเดียวร่างกายที่ที่เรานั่งอยู่นี่หายหมดอย่างนี้ก็มีการพิจารณาแต่กริณาอยากห้าดเป็นแต่เพียงแค่ฟังให้เป็นความเพลิดเพลินรื่นเริงในขณะที่ฟัง อันจะเกิดผลประโยชน์ในการฟังเวลาเราพริจารณาตามจริตนิสัยของเราแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเราเองที่จะปรากฏขึ้นมาภายในตัวเองตามจริตนิสัยของตัวจะเรื่องของคนอื่นเข้าไปให้เป็นอย่างนั้นเข้าไปสู่ตัวให้ตัวของเราให้จใจเราเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นเห็นอย่างท่านนั้นไม่ได้อันนี้เป็นจริตนิสัยของแต่ละคนละคนที่จะเป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนเองที่โดยพิจารณารู้เห็นอย่างไร นี่ประการหนึ่งที่อธิบายมานี้ประการที่2เวลาพิจารณากายไอ้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั้เราจะว่าอนิจจังหรือทุกขังอนัตตาก็ตามเมื่อปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับรูปขปขันนี้โดยชัดเจนแล้วมันหนักทราบภายในตัวของมันเองทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นสิ่งที่จะพึงปล่อยวางเป็นสิ่งที่จะพึงเบื่อนหน่ายคลายความยินดีไปโดยลําดับลําดับน่นเพราะมันเห็นชัด เห็นชัดแล้วว่าอันนั้นมันก็ชัดไปว่ามันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นในร่างกายแต่ละส่วนแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นผู้พิจารณานี้เป็นอันหนึ่งต่างหากเนี่ยเวลามันพิจารณาลงไปชัดเจนขนาดนั้นแล้วมันแยกตัวได้คือจิตเป็นจิตอาการเหล่านั้นแต่ละอาการเป็นทังตัวเป็นอาการทั้งตัวโดยลําพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับจินเลยก็มาเห็นโทษของจิตที่ประยุทธ์ไปถือเขาโอ้โนี่มันหลงจริงๆความจริงมันเป็นอย่างนี้นั่นนี่เป็นเป็นวาระหนึ่งเมื่อ ยังไม่ขาดจากกันคือยังไม่พอตัวมันรู้เป็นระยะๆอย่างนี้ไปก่อนคราวหลังก็รู้อย่างนี้แล้วมันซึมซาบเข้ามาเช่นเดียวกับจอกแนะที่มันหุ้มเข้ามาอันนั้นปิดน้ํานั่นเองเราเบิกเราแวกรอกแวกงแนะออกหย่างลงไปมือหย่างไปถึงน้ําเห็นน้ําแล้วพอยกมือขึ้นมาจอกแหนะก็หุ้มเข้ามาปัญญาเมื่อเวลาเบิกสิ่งหนึ่งแถว น, นี้หรืคลี่คลายสิ่งนี้มันก็เห็นชัดอย่างนั้น ให้พอถอยปัญญามาจากขณะนั้นแดีวมันก็หุบเข้ามาแต่หลายครั้งหลายหนไอเล่ยเรื่องจอเรื่องแหนค่อยบางไปบางไปการพิจารณาในอาการเหล่านี้มันค่อยสะดวกไปสะดวกไปคล่องแคล่วไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกละเอียดไปโดยลําดับๆจนกระทั่งถึงความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วมันถอนได้อย่างเด็ดขาดพระจากกระปิดโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นทีเดียว คำว่าสันติทิโกจริงไม่มีปัญหาอะไรเลยกับความรู้ของปู่นั้นมีความเพียงพอตัวเองที่จะเห็นประจักษ์ในสันธิทิโกอย่างเต็มภูมิในขั้นนั้นๆเนี่ยน <Yeah. S 1> ป, รประการที่สองเวลาพิจารณาร่างกายอย่างนี้บางทีจิตมีความสัมผัสกั บ, กบเวทนามันก็ไปแยกพิจารณาเรื่องเวทนาอีกแลแว้วแต่จลิตของจิตเมื่อแยกพิจารณาเวทนามันก็วิ่งมาหากายเช่นเดียวกัน พี่นาดูเวทนาคําว่าทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์มันดูมันกําหนดมันตรองมันมันจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็ย้อนก็มาหากายกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาแล้วย้อนก็มาหาจิตจิตก็เป็นจิตเอาเมื่อเวลาจิตถอยออกมาจากกายจากเวทนาเถอะกายกับเวทนาก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความรู้ล้วนเมื่อกระแสจิตแยบออกไปสู่เวทนาก็ปรากฏเป็นเวทนาขึ้นมาปรากฏเป็นกายขึ้นมาอาการนั้นๆ ก็เป็นเครื่องสอนให้เห็นว่าอาการใดที่จะปรากฏก็เพราะความรู้อันนี้ไปให้ความหมายสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้ น, น, น, นถ้าจะเป็นไปในทางที่ปลูกมัตนเองคือเป็นในทางสมุทยัยมันก็ต้องอาศรรยัยความหมายนี้ไปไปเป็นพาดพาถือปายซ้ำขัญ ม, มันหมายถ้าเป็นปในทางปัญญาก็อาศัยปัญญากระแสของจิตนี่เองไปพิจารณาแต่ตองเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วถอนตัวเข้ามานี่ พิจารณาเวทนาสัญญามันยับออกมามันกรรู้ถ้าพิจารณาเวทนาอย่างละเอียดเราเข้าไปแล้วเพียงสัญญามันยับออกไปกรรูดไอ้สังขาปรปุงนั้นก็ก็เหมือนหิ้งห้ อ, อยนั่นเองยับยบถ้าสัญญาไม่ไปหมายสังขารก็เพียงปุงยับย บ, ยบแล้วดับไปดับไปไม่ว่าจะปรุงเรื่องใด เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอยากเรื่องละเอียดเรื่องกลางๆเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นปเพียงความกระเพื่มของจิตในขณะที่มีอะไรมาสัมผัสเท่านั้นถ้าหากอะไม่มีอะไรสัมผัสโดยลําพังตนเองท่านเรียกว่าสังขารถ้ามีอะไรสัมผัสท่านเรียกว่าวิญญาณนี่เราหมายถึงสังขารคือปรุงโดยลําพังตนเองโดยไม่ต้องอะไรมาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องปรุงขึ้นแยบดับไปพร้อมดับไปพร้อมนี่ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนขณะที่จิตทั้งเรารวมตัวอย่างสนิทความสนิทแห่งการรวมตัวของจิตนี้จะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยหรือแต่ความรูๆๆๆๆ้วนล้วนๆขณะที่ความรูนล้วนทรงตัวอยู่นั้นเราจะเราจะเห็นประจักษ์และไม่มีสองกับอะไรทีนี้ขณะที่จิตที่จะถอยตัวออกมาสูส่สภาวธรรมทั้งหลายจะ ก, กลายมาเป็นจิตธรรมดาคือคิดปรุงได้นี่จะมีความกระเพื่มตัวเองแยบทีหนึ่ง พอยับพอยับแล้วดับทันทีแนวอยู่โดยลําพังทั้งเดียวเย็บขึ้นมาคือมันปรุงพอยับปรุงยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแหละเพียงกระเพื่อมเท่านั้นมันรู้กันเสียมันดับไปพร้อมเสียพอพอกระเพื่อมพักอย่างนี้แล้วรู้กันเสียเพราะสติมันอยู่ที่นั่นแล้วดับไปเสียไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรทั้งนั้นเพราะอํานาจของสติที่ควบคุมอยู่ในขณะนั้นหรือพลังของสมาธิยังไม่คลายตัวก็ได้ ที่พอปรุงถึง 2- อสาครั้งแล้วแล้ทเข้าได้ด้วยทีเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเช่นเดียวกับเด็กตื่นนอนทีแรกเด็กก็มีความกระดุกกระดิกหน่อยหลายครั้งแ ล, ลง้วหงสเข้าไปแล้ว ก, ก็ลืมตาขึ้นมาอันนี้จิต ก, ก็เหมือนกันมีความสงบนี่พูดถึงหนึ่งขั้นสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันการพิจารณาอาการต่างๆดังที่กล่าวมานี้ท่านเรียกปัญญา เมื่อพิจารณาพอตัวแล้วจิตจะ ก, ก้าเข้าสู่ความสงบโดยลําทางตนเองแล้วปราศจากความลุงความแต่งความก่อควอะไรทั้งหมดปรากฏอยู่แต่ความรู้เพียงเท่านี้ก็มีรสมีชาติเต็มภูมิแห่งสมาธิที่ควรจะชนะรสทั้งหลายได้อยู่ได้อยู่แล้วอันนี้ความยินดีในความสงบนี้ก็ไม่เคยอิ่มตัว มีความดูดดื่มในความสงบเย็นใจอยู่เสมอไปที่ไหนก็กจิตเป็นรากเป็นฐานจกตัวเองอยู่แล้วสบายไปเลยเย็นเราจรึงได้ใช้ปัญญาพิจณาเรื่องถาบเรื่องขันสำคัญคือความปรุงของจิตที่ปรุงขึ้นมาแล้วสังขารเวทนาความอ้อยสัญญาคือความหมาย ทัญญาจะหมายทันทีเหมือนกับว่าสังขารนี่ปรุงขึ้นมายื่นให้ปัญญาปัญญาเป็นผู้รับช่วงแล้วไปตีความหมายออกในแง่ต่างๆนั่นนะที่เราหลงเราหลงความหมายของตัวเองเราหลงเงาของตัวเองที่ออกวาดภาพออไปเป็นเรื่องต่างๆเพลินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนไม่เคยภาวนาก็ตามเพลินเพราะอะไรโศกเพราะอะไรโศกก็ดีเพลินก็ดีเพราะเงาของจิตที่แสดงตัวออกไป เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคต twitch. ที่เคยผ่านมาแล้วก็ดีที่ยังไม่มีก็ดีมีตั้งแต่เรื่องของจิตออกวาดภาพเราอยู่ด้วยความคิดความปรุงของตัวเองเพลินและโศกด้วยความคิดความปรุงของตัวเองเท่านั้นนี่เวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปจริงๆแล้วมันทราบได้ขนาดนั้นปกติเป็นอย่างนั้นจริงๆเจนคนไม่เคยภานานั่งอยู่นี่บางทีจนตาเถื่อมองอะไรไม่รู้ส่วนจิตมันคิดเรื่องอะไรนั่นแหละคือเพลินไปตามนั้นหรือโศกไปตาม อารมณ์งตัวที่ปรุงแต่งขึ้นมาหลงอารมณ์ตัวเองนั่นเองเมื่อเราได้ใช้ปัญญาทางด้านสมาธิด้านปัญญานี้แล้วเราถึงจะทราบชัดว่าอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่ออกไปจา ก, กจิตแล้วหลอ ก, กจิตผู้ไม่มีสติปัญญาทันกับเหตุการณ์หรือทันกับสภาพเหล่านั้นให้มีความรุ่มหลงไปเดิมดับให้เกิดความดีใจเสี ย, ยใจเกิดความรักความชังเกิดความโกรธควา ม, ม ง, งุ่นหิดบางทีเรื่องราวผ่านมาแล้วเป็นกี่ปีก็ตามไม่ทราบมันหายไปไหน แต่อเผอิญไปปรุงเรื่องนั้นไประลึกเรื่องนั้นขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่เกิดความที่เคยเสียใจก็ามาเกิดความเสียใจในเรื่องนั้นอีกปุ่นขึ้นมาปรุงขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เรื่องมันไม่สุขไม่ทราบมันหายไปไหนนี่ก็คือเงาของจิตหลอกจิตจนเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาเป็นตัวอะไรเป็นตัวโกรธตัวรั่ตัวหลงตั ว, ตวทุกตัวร้อนขึ้นมาจริงๆจากเงาอันนั้นต์เพราะฉะนั้นการพิจารณาอาการของจิต จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ปัญญาจะต้องสอดแทรกตามให้ทันเมื่อสติปัญญาทันแล้วปรุงขึ้นเรื่องอะไรมันก็ทราบแทบแรบไปจากกีดกําลังจะไปหลอกตัวเองนั่นจะไปสําคัญมันหมายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรก็ตามมันกําลังจะไปเอื้อมว่าดภาพชนั้นชนิดนั้นขึ้นมาภาพอนนี้ขึ้นมาหลอกเราเนี่ยมันรู้มันรู้มันดับทันทีพอเราพอเรารู้ทันมันดับทันทีทันที ไม่เกิดเป็นตนเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติปัญญาฐานมันดับดับผลสุดท้ายเราก็มาเห็นโทษที่เกิดขึ้นจากกิจที่โดยแท้เดียวไม่ได้ไปเห็นโทษของรูปของเสียงของกลิ่นของรสไม่ได้ไปควรจะไปตําหนิติชมทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรทั้งหมดจะมาเห็นโทษที่เกิดขึ้นภายนกจิตที่ไปหลอกตัวเองว่าหน้าชมบ้างหน้าตําหนิบ้างหน้าดีใจบ้างหน้าใช้ใจบ้าง มันเกิดขึ้นจากจิตที่ทั้งนั้นจิตนี้เป็นตัวกลตัวมายาตัวหลอกห ล, ลองที่สุดนานมันรู้นี่นี่แหลวิธีกับพิจารณาจิตพิจารณาอย่างนี้สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีความหมายมันไม่มีอะไรสําคัญมันสําคัญอยู่ที่ตัวที่หลอกที่เท่านั้นอจึงต้องพิจารณาตัวหลอกเนี่ยให้ทันด้วยสติปัญญากําหนดเหมือนกับว่าจิตดวงนี้เป็นนักโทษทีเดียว ไปไหนถูกควบคุมจะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาสติปัญญาควบคุมให้ทันกับเหตุการณ์แล้วมันจะดับไปดับไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็รู้อย่างชัดๆว่าตัวจิตนี่แหละเป็นตัวนักโทษไม่ใช่อื่นใดทั้ง น, ทงนั้นทั้งนั้นรูปไม่ใช่โทษรูปไม่ใช่สิ่งที่ให้คุณไม่ใช่สิ่งที่ให้โทษเสียงเครื่องรถเสียงเครื่องสะพัดอะไรทั้งหมดไม่ใช่ผู้ให้คุณไม่ใช่ผู้โทษจิตผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ไปปรุงไปแต่แตงไปหลอกลวงตัวเองให้ เกิดความดีใจเสียใจเกิดความถูกความทุกข์ขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งลมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจนี้เท่านั้นหนักมันเห็นเข้าไปดยดําดับแล้วมาเห็นโทษของใจโดยถ่ายเดี่ยวอะอะไรจะปรุงขึ้นก็ตามผลที่สุดจะเบิก อ, อย่างที่ว่าปรุงเสือปรุงช้างมันเป็นสังขารออกไปหลอกตัวทั้งหมดรู้ทีนี้มันแคบเข้ามาผลสุดท้ายก็จับนักโทษได้แต่มันยังลงโทษมันไม่ได้ยังจับตัวมันได้ นี่นิชัยค่ควรมันอย่างนั้นมีมีจะเรียกว่าเป็นขั้นของสติปัญญาอันสาคัญนะเนี่ที่แรกอาศัยเรื่องธาตุเรื่องขันซากฟอกจิตใจด้วยธาตุด้วยขันซากฟอกจิตใจด้วยรูปเสียงกิริเครูงสัมผัสโดยทางปัญญาแล้วก็ซากฟอกจิตใจโดยเฉพาะด้วยสติปัญญาอันสําคัญนะที น, นี้นี่ตามต้นกันอยู่นี่ ไม่ไปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรถรู้เรื่องรู้ราวหมดแล้วไม่ใช่ตัวเหตุตัวผลไม่ใช่ตัวสําคัญยิ่งไปกว่าจิตใจดวงนี้ที่เป็นตัวสําคัญมากเป็นตัวโทษที่สุดเป็นนักโทษนักก่อกวนนักจุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ที่นี่นี่ค้นเข้ามาแล้วก็จ้องแต่ตรงนั้นไปไหนก็มีแต่จิตทั้งนั้นเป็นนักโทษคอยดูตั้งแต่นักโทษตัวนี้จะแสดงตัวอย่างไรออกมานอกจาก ว่านักโทษตัวนี้มันจะแสดงตัวอะไรออกมาแล้วยังต้องมีปัญญาสอดแทรกเขาเบียร์ว่าอะไรเป็นเครื่องเสี่มสอนมีอะไรมีฉากหลังฉากหน้าของนักโทษนี่จึงต้อง ท, ทําทษจริงตลอดเวลาชิดปรุงแต่งเรื่องราวหลอกลวงเราอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นพ่อยหลยนี่มันก็ขุดค้นเข้าไปที่ตรงนั้นนี่นะปัญญาไม่เพียงแต่เราจะมา ตะคุบรู้จองจะมาตีต้อนเฉพาะอาการั้งมันที่แสดงออกมายังค้นเข้าไปในรวงในหลังมันอีกมันมีอะไรเป็นเครื่องผลักดันออกมาตัวการสําคัญคืออะไรมันต้องมีไม่มีสาเหตุไม่มีปัจจัยเป็นเครื่องหนุนออกมามันจะออกมาเฉยๆไม่ได้ถ้ามาเฉยๆก็ต้องเป็นขันร่วนๆแต่นี่ไม่ใชเฉยๆนี่ออกมาอะไรตรงเรื่องอะไรมันทําให้เกิดความดีใจใจทั้งนั้นแสดงว่ามันไม่ออกมาเฉยๆมันมีเหตุมีปัจจัยออกมาให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นสุขเป็นทุกข์ได้จริงๆในเมื่อหลงมันนัค้นเข้าไป เมื่อเราเห็นจิตเป็นนักโทษแล้วเราก็สนุกพิจารณาปลอยวางหมดภาละน้อยลงไปน้อยลงไปนีแต่เรื่องจิตกับเรื่องความคลุมความสาคัญที่เกิดขึ้นจากจิตโดยแต่เดียวเท่านั้นมันก็แคบสติปัญญาหมุนติวต้วตอยู่ยนั่นนั่นสุดท้ายมันก็รู้ว่ามีอะไรเป็นสาเหตุที่ให้มันปรุงขึ้นมาให้เกิดความรักความชางังความโกรธความเกลียดมันมีอะไรมันก็รู้อันนั้น พอรู้อันนั้นแล้วก็จลายหมดเรียกว่าทําลายได้แล้วด้วยสติปัญญาจิตก็หมดโทษึ้วเราจะตําหนิโทษจิตตาหนิไม่ได้เพราะที่เราตําหนิโทษเพราะโทษมันอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในกิตเหมือนกับว่าโจรผู้ร้ายหรือฆาเสือก็ตามมันเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ใดเราต้องทําลายหมดทั้งอุโมงค์ทีเดียวเราจะไว้เสียดายอุโมงค์ไม่ได้นี่มันเข้าไปแทรกในจิตทํำลายลงไปหมดถ้าจิต ไม่เป็นของจริงมันก็จะสลายไปด้วยกันถ้ามันเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติตนแล้วจิตนั้นจะกลายปจะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นของกระเสริฐขึ้นได้เพราะสิ่งที่จำปลอมทั้งหลายนั้นได้หลุดรอยไปแล้วด้วยปัญญานะเมื่อสิ่งที่จำปลอ ม, อ, มอันเป็นเครื่องหนุนดุูภาณในจิตได้สลายตัวลงไปด้วยอํานาจของสติปัญญาแล้ว นั่นแหละเ ป, เป็นทำเป็นธรรมแท้ทึ่นเราจะเรียกว่าจิตแท้ธรรมแท้ไม่ขัดกันเพราะหมดสิ่งที่จะมาคอยขัดคอยขวางซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเราจะเรียกตรงนี้ว่ารถแห่งธรรมธนะสุมรถทั้งปวงได้ร้อยเป็เมื่อจิตได้เป็นจิตเป็นธรรมล้นๆ้นแล้ว ย่อมมีความอิ่มพอกับสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงไม่เกี่ยวข้องในทั้งสิ้นเป็นเอกกิตเอกธรรมมีอันเดียวเท่านั้นทำแท้มีอันเดียวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตพูดได้เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นพูดไม่ได้ขอให้ทุกท่านนำไปพินิจพิจารณานี่แหละหลักความจริงของาศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งการแก้กันถอนกิเลสถึงความบริสุทธิ์พงกิษเป็นสิ่งที่ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นมาอย่างเต็มพระทยัยแล้วประกาศธรรมสอนโลกด้วยพระเมตตาอย่างเต็มพระทยัยเช่นเดียวกันเมื่อเราได้นำธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนี้มาประพฤติปฏิบัติอย่างถึงใจแล้วเราจะได้เห็น สิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ซึ่งมีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจนี้โดยลาดับดบจนกระทั่งเห็นอย่างเต็มภูมิของการปฏิบัติเราและรู้อย่างเต็มภูมิพ้นทุกอย่างเต็มตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องกอเกาะเกี่ยวเหนือกว่าร่างปราช้าคือความเกิดตายของจิตมาถึงคันนี้แล้วก็ไม่ทราบจะเทศอะไรต่อไปอีกจึงขอจิตเพียงเนี้